ขอความสุขความเจเริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวัติพ ร, ระสารีบุตรเทระในเทระคาถาคำพีปรมัถธีปณีเป็นข้อความที่พระเทระกล่าวไว้ในโอกาส ต, ต, ต่าง เป็นอุทานบ้างเป็นการกล่าวทำกลางพระสงฆ์บ้างทำกลางชาวบ้านบ้างพระโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกันก็ถ้าเราเทียบเป็นพระสูตรก็คือหลายพระสูตรแหละ แต่เมื่อรวบรวมไว้ในที่เดียวกันก็กลายเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันแต่ท่านก็แบ่งเป็นรูปคาถาจำนวนคาถาจำนวนมากก็เริ่มนับจากคาถาที่พันกว่าคาถาแล้วก็ว่ามาเรื่อยที่ร้อยกว่าที่ที่เก้าร้อยกว่าคาถานะครับที่ คาร้อยคาถาเราว่ามาถึงคาถาที่หนึ่งพันสองตั้งกล่าวว่าเราไม่ยินดีความตายทั้งไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่แต่เราคอยเวลาตายอยู่เท่านั้นเหมือนลูกจ้างเราคอยหมดเวลาทำงานฉะนั้น คือเรื่องความเป็นความตายนั้นเป็นเรื่องตามปกติและคนกลัวนะเราอยากเกิดแต่เกิดมาแล้วในช่วงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เราชอบเราก็อยากโตเ ร, ร็วๆแต่พอเลยกลางคนไปแล้วเราก็ไม่ชอบแก่ และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่กลัวมากก็คือกลัวตายาถามว่าทําไมเราจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นก็อตอบได้ว่าภายในใจเรายังมีตัณหาคือความรู้สึกว่าเป็นของเราเรามีมานะรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้น และต้องการให้ความเป็นนั้นดำรงอยู่ได้นานๆในขณะเดียวกันเราก็มีทิฏฐิ ถ, ถือว่าตัวเรานั้นเป็นตัวเป็นตนที่ควรจะถาวรยั่งยืนไม่แปรผันคนโลกเราทุกยุคทุกสมัยก็มีการพยายามดิ้นรนสแสวงหายาอายุวัฒนะคือยาที่อายุยืนนาน เราไม่ต้องการความแก่เราไม่ต้องการความตายเพราะในขณะที่อายุยืนนานนี้หมายความว่าร่างกายก็ต้องไม่แก่ด้วยเป็นความต้องการที่ฝืนคติธรรมดาพระกานนั้นท่านไม่มีกิเลสเป็นเอตัยตืออย่างนั้น ระดับตร ห, หนดัานาดับทิฐิที่เทวดาหัเนี่ยได้พะงก็ตั้งก็ไม่ระวาดหวั่นเพลิดพลิต่อความตายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีความกำหนัดเพลิดเพลินต่อความดำรงอยู่ประการแสดงความความประวัท่านพลินต่อความตาย หรือความกำลัดเพลิดเพลินต่อความเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นอาการของกิเลสด้วยกันกำนัดเพลิดเพลินก็เป็นอาการของราคะของโลภะปรานเพ่นพึ่งต่อความตายก็เป็นอาการของโมหะชีวิตเ่านั้นมีความตายเป็นที่สุด ไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องจบลงที่ตายแหละเพียงแต่ว่าพระหันท่านเรียกว่าสอุปาติเสสนิพานอนุปาติเสสนิพานคือดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับได้ทั้งเบญจขันธ์กิเลสนั้นดับไปนานแล้วตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุมรคลเป็นพรานแต่ขันยังอยู่ รูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นกุศลและก็วิญญาณท่านยังอยู่จริงที่ดับไปก็คือสังขารที่เป็นอกุศลรูปยังอยู่เวทนายังอยู่สัญญายังอยู่แต่ม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารที่เป็นอกุศลแล้วก็ในวิญญาณ ในสังขารที่เป็นกุศลเองท่านก็ไม่ยึดหรอกมันเป็นสภาวาธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติของพระหันอย่างนั้นเองท่านก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่เวลาต้องเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเราพูดจากับชาวบ้านสนทน า, นานกับชาวบ้านต้องใช้ภาษาธรรมดาธรรมดานี่แหละ ไปยังคำกล่าวทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นเรื่องแบบสมมติสัจจะคุณแสดงความจริงตามแนวสมมติที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือยึดถือกันความตายกับชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเรียกในเชิงสภาวะว่าเกิดแก่ตายไปเจ็บนั้นมันก็เจ็บบ้างไปเจ็บบ้าง แต่ว่าเกิดแก่ตายนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนความเจ็บจึงเป็นก็เรียกว่าทุกจรเข้ามาเป็นปกิณกะทุกคือทุกที่จอดเข้ามาเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ก็ต้องเจ็บนั่นแหละตามปกติท่านพูดเรื่องความตายไว้หลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นการตายอยู่ทุกขณะเจนว่เซนก่าตายไปเซนใหม่เกิดขึ้นแทนผมเก่าร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทนขนเก่าร่วงไปคนใหม่เกิดขึ้นแทนเป็นต้นเนี่ยในส่วนของผิวหนังเราก็เห็นว่ามันมีหนังตายมีผิวตายแล้วก็ตายอยู่ทุกเรื่องอาบน้ําแต่ละครั้งเราก็ชำระร่างกายชำระเหงื่อใครออกมา ของสบู่ที่เป็นขาวก็กลับดําไปเลยนั่นแสดงว่ามีการชำระล้างส่วนหนึ่งของร่างกายออกมาตัวนั้นก็คือเนื้อที่ตายแล้วหรือผิวที่ตายไปแล้วตายอย่างหนึ่งนั้นก็เรียกว่าอาการละมรณะคือตายในการเวลาที่ยังไม่น่าจะตาย เช่นมาเกิอดอุบัติเหตุโดยการทาํากับตนเองบ้างการทาําของบุคคลอื่นบ้างเหตุสองอย่างประกอบกันบ้างหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิอดอุบัติเหตุเกิดอนันตรายบ้างคนก็ตายกันแต่ที่แน่นอนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่ายังไงก็ตายเรียกว่ากาลมรณะ มันถึงค่าวตายมันถึงชีตายมันหมดบุญแล้วก็หมดอายุบุญที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ก็หมดอายุที่จะอยู่ก็หมดเพราะบุญมันก็เอ่ออายุมันก็สืบเนื่องมากับบุญบุญมากก็อายุมากอายุวนโนสุขังพลังเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลของบุญที่ทาให้มีอายุยืน แล้ก็ส่งแสดงเหตุให้บุญที่เป็นเหตุอายุยืนก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนสัตว์อายุสั้นก็คือการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์รูปภัยค่าเจ็บมากรูปภัยค่าเจ็บน้อยรูปภัยค่าเจ็บมากก็แสดงว่าเบียดเบียนสัตว์มากรูปภัยค่าเจ็บน้อยก็เรียกว่าเบียดเบียนสัตว์มาหน้อย พอทั้งหมดมันก็กลายเป็นสืบเนื่องมาจากกิเลสกรรมพิบากตรงนี้มันร่างกายเราเนี่มันเป็นพิบากคือเป็นผลมาจากกิเลสกกรรมพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องตายแต่ว่าความตายนั้นท่านก็ไม่กลัวเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กลัว การดำรงอยู่ก็ไม่เพิดเพลินชื่นชมยินดีเพราะไม่มีอะไรที่น่าเพลิดเพลินชื่นชมยินดีมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติธรรมดาการดำรงชีวิตของท่านก็เหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานก็รอหมดเวลาไป จะลืมว่าในขณะที่ทำงานขณะที่รับจ้างอยู่นี่ก็ต้องทำงานต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่เขาจ้างแต่ก็เป็นอุปมาณะพระหันไม่ใช่ลูกจ้างเพียงแต่ว่าท่านอยู่ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลก ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีลักษณะคือคูณและอำนวยความสุขให้แก่ชาวโลกการใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ ต, ต่อชาวโลกด้วยคือคูนต่อชาวโลกด้วยแต่มาช่วยชาวโลกดำรงอยู่ด้วยความปกติสุขด้วยท่านก็ทำไปจนกว่าจะเสร็จงานก็คือจนกว่าจะนิพพานนั่นแหละ ผลงานก็เรายังไงมันก็ไม่เสร็จหรอกต่ะงถ้าเรายังไม่ตายในชาติหนึ่งในชาติหนึ่งนี่ก็เป็นหลักที่ท่านแนะนําโดยยกตัวอย่างท่านขึ้นมาเป็นเป็นต้นแบบนะให้เป็นแนวคิดของพระที่ฟังอยู่ในขณะนั้นแล้วจากนั้นท่านก็บอกว่า ความตายนี้มีแน่นอนในสองคราวคือในเวลาแก่เท่าหรือในเวลาที่เป็นหนุ่มสาวหมายความมาตอนนี้ท่านแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงชีวิตจากเกิดมาจานถึงหนุ่มสาวคนก็ตายมาเยอะนะตายในคันก็เยอะคลอดมาไม่เท่าไร่ก็เยอะ ตามสติติที่ท่านนำเสนอไว้ในสื่อต่างๆบอกว่าเด็กที่เกิดมายัางไม่ได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ตายไปในแต่ละปีนี่มันเยอะเหลือเกินไม่ใช่นับเป็นสิบนะนับเป็นร้อยๆแต่ในคันเท่าไหร่นี่ไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าตายข้างนอกคันนี่เยอะมาก นั่นก็แสดงว่าความตายมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะจากเกิดจนถึงหนุ่มสาวเอาเรียกว่ากลางคนก็ได้เพราะตอนหลังท่านใช้คาแก่เท่าก็หมายความมาเลยกลางคนไปแล้วก็จะเกิดถึงกลางคนแล้วก็จากกลางคนถึงแก่เท่าไป อยู่นานเท่าไรก็นานเถอะแต่ก็ต้องตายเพราะชราแน่นอนานในช่วงแก่เท่าเองก็เตื่อคนเราก็ตายได้ทุกวัยเด็กก็เรียกว่าทุกวันด้วยนั้นแสดงว่าเราไม่สามารถติดเรี่ยงความตายไปได้เพราะนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ ให้คนทั้งหลายได้คิดจนใช้คำว่าอภินหาปัจจเวคขณะให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาหนึ่งเดืองพิจารณาอยู่สม่ำเสมอว่าชราธรมมหิฉรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ปยาทิธรมโมหิปยาทิอนัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บ่ายไปได้มณธรรมโ ม, มหิมรณังอนัติตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ทีนี้จะเกิดถึงตายเนี่ยเราประสบการพลาดพลาดสูญเสียทุกวันนะครับหมายความว่าชีวิตเรามีได้มีเสียทุกวันได้มากเสียมากได้น้อยเสียน้อย ได้มากเสียน้อยได้น้อยเสียมากอะไรต่ออะไรต่างมันมีอยู่ทุกวันชีวิตในแต่ละวันถ้าเราดูให้ดีแล้วมีทั้งขาดทุนทั้งได้กําไรอะไรจะขาดทุนมากหรือได้กําไรมากก็ไม่รู้เป็นรายละเอียดแต่สรุปว่ามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองให้ทําใจยอมรับความจริงในสี่เรื่อง พวกนี้เป็นสภาวธรรมมันติดมากับชีวิตติดมาจากความเกิดแต่ความเกิดนั้นมันเป็นอนดีตเมื่อเราแก่เนี่ยมันก็เป็นอนดีตเราเกิดมาแล้วความเกิดมันก็เป็นอนดีตเลยไม่เดามาพิจารณาก็พิจารณาแค่สี่เรื่องคือความแก่ความเจ็บความตายและการพ ร, พรากสูญเสีย เข ค, คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตายนะตายแน่แต่ท่านก็ย้ำเตือนว่าที่จะไม่ตายเลยย่อมไม่มีเปรตนั้นท่านทั้งหลายจงปฏิบัติชอบเถิดแอ่นี้ก็อย่างหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปัดเศนที่โกศลว่า คนเราที่เกิดมาแล้วจะต้องตายเป็นธรรมดาทำบุญและบาปไว้ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของของบุคคลนั้นแท้บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเช่นนั้นและนี่คือเรื่องปกติธรรมดา วิชีวิตก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกนี่ก็เป็นหลักที่ท่านสอนในได้คิดแต่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องชีวิตอะเพียงแต่ว่าคนเราตามปกติแล้วทำใจไม่ได้ทางทั้งที่มันเรื่องต้องเกิดแต่เราก็ทำใจไม่ได้ เราเดือดร้อนเพราะความแก่เราเดือดร้อนเพราะความเจ็บเราเดือดร้อนเพราะความตายเราเดือดร้อนเพราะการทัาดพลาดผู้เหล่านี้ถ้าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็ธรรมดาอย่างพระนางบัลลิกาเทวีชายาของพันธุราเสนาบดีของพระเจ้าประเสนดูตุศล แต่ท่านเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ของมัลล่าพระยองลิศวีนะในราชวงศ์นะงของมัลละก็กรุงกุสินารานั่นแหละไปเป็นนักศึกษาเรียนร่วมสถาบันเดียวกับพระเจ้าประเสนทูกุศนมีสามราชกุมาร คือมาลีแห่งวัชีปันตุระแห่งกุศินาราแล้วก็ประเชนที่แห่งโกศลกลับมาถึงก็แสดงศิละปะวิทยาให้พระญาติได้ชื่นชมแล้วก็พิสูจน์ทดสอบว่าท่านจบเ้นศิลปะวิทยามาจริงมาลีแสดงแรงจนขนาดพระเนตบอด รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนราชุมารฤชวีในแคว้นวชีพันตุลาตอนขี่ม้าก็ดีตอนยิ่งธนูก็ดีนั่นไม่มีปัญหาแต่ตอนฟันดาบเนี่ยปรากฏว่าพระญาิเอาไม้ไผ่มามัดรวงกัน ตั้งหกสิบลำนะัมนมาก็ตัวใหญ่มากแต่แอบเสียบเหล็กเข้าไว้ข้างในเจ้าชายก็ใช้พลังเต็มที่มันละน่นบางทีก็เรียกชื่อของบวยปร้ำคือมีพระละกำลังเรียวแรงมากท่านกระโดดขึ้นไปบนอากาศ แล้วก็ฟันลงไปชั่วเดียวมันมีเสียงดังกิ๊กในลำสุดท้ายท่านถามาเสียงอะไรขคนก็นกรสิบบอกบอกคุณพระญาติแอบใส่เส้นเหล็กเข้าไปข้างในท่านก็น้อยพระไทยอ่ะว่าพระญาติตั้งเป็นจำนวนมากเนี่ยไม่มีใครที่รักท่านจริง แต่รักท่านจริงสักคนแอบกระซิบบอกว่ามีสี่เหล็กอยู่ข้างในเนี่ยท่านจะได้เพิ่มพลังขึ้นฟันโดยไม่มีเสียงกิ่งให้สุ่เห็นว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วขนาดนี้ยังไม่สุดจริตใจไม่จริงใจกันท่านก็ทิ้งกรุงกศินาดาไปอยู่ที่ พระเจ้าประเจศที่โกศลไปอยู่กับพระเจ้าประเจศที่โกศลก็พระสาหายนะพระเจ้าประเจศที่โกศลก็แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีแล้วก็เป็นแม่ทัพแต่งงานกับพระนางมัลลิกาเทวีชาวกุศินาราเป็นกัน ก็หลายปีไม่มีพระโอรสที่ดาแต่ท่านก็นแนะนำให้กลับบ้านพระนางบรลิกาก็ไปกราบทูลบังคมทูลลาพระพุทธเจ้าภูเจ้ารับสั่งถามว่าจะไปทำไมบอกว่าประสวามีนั้นท่านเห็นว่าไม่มีลูกก็ให้กลับไปบ้าน ท่านจะได้แต่งงานใหม่ผูเจารับสั่งว่าถ้าเป็นพระเหตุนั้นไม่ต้องกลับหรอกนางก็กลับไปทูลให้พันธุลาาัทราบพันธุลักก็ยอมนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ให้กลับก็กลับไม่กลับก็ประโฏว่าไม่นานน่ยพระนางก็ประสูติพระโอรสเป็นคู่คู่นะผักฟ้าแฝด ถึงเท่าไรล่ะสามสิบสองสามสิบสองคนด้วยกันในการต่อมาก็โตเป็นทหารในกองทัพของบิดาในฐานะที่ท่านเป็นเสนาบดีแล้วก็เป็นแม่ทัพเนี่ยก็ทำให้มีภารกิจมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือ คนที่เป็นรับความเป็นธรรมจากศาลขอมาฟ้องร้องท่านบ่อยๆวันหนึ่งท่านก็เข้าไปในที่ในศาลนะซักถามพยานโจทย์จำลเลยสิเส็เห็ดหมดใหม่ใน้สุดท่านก็ตัดสินหม่เลย ตัดสินในฝ่ายถูกก็เป็นฝ่ายชนะฝ่ายผิดก็เป็นฝ่ายแพ้ประชาชนแสดงความชื่นชมยินดีว่าคณมผู้ปภาษาไม่เคยตัดสินเป็นธรรมอย่างนี้เลยแต่ท่านเสนาบดีมาตัดสินให้เป็นธรรมพระยาประเสิทธิ์ที่โกศลได้ยินข่าวสอบถามทอบความเลยแถมตำแหน่งเป็นตุลาการใหญ่ให้ แล้วก็ทําหน้าที่พิาพากษาตัดสินคนมันสูญเสียผลประโยชน์เคือโพวสารที่เคยโกงเคยกินแต่ก่อนเนี่ยมันสูญเสียผลประโยชน์ก็เปลี่ยนหน้ากันไปยุยงปุกปัน่นพระเจ้าประเสษดุกุศลที่เล็กทีละน้อยที่เล็กที ล, กท ล, กท ล, กละน้อยแบบน้ําหยดลงหินทุกวันเห็นมันยังกรอน หัวใจอ่อนๆเขาไม่เจ้าปร์เซนท์ทีกุศลก็สั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าคนใหญ่คนโตนี่พูดอะไรก็พูดเถอะแต่อย่าให้รู้สึกว่าท่านถูกดูหมินหรือท่านถูกบองรายถ้าท่านถูกดูหมินหรือท่านถูกบองร้ายนี่ท่านจะเชื่อนะมักจะเชื่อ ก็เหมือนเอาไข่ไปทอกหินเนี่ยหินก็แตกทุกทียแต่ไม่ใช่ไข่ก็แตกทุกทียเอาไข่กับตอกหินไข่ก็แตกเอาหินกับตอไข่เอาไข่ก็แตกอีกอะในสุดก็เชื่อนะฮะว่าพันธุละเสนาบดีจะก่อการขบฏแย่งราชบัลลังก์เราสะเกรดความคิดกันไม่รอบคอบเลยเป็นคนคนละราชวงศ์กัน ในราชวงศ์ของพระเจ้าปเสนที่โกศลก็มีสืบต่อราชวงศ์กันอยู่ในมันลล่าเขาก็มีวงที่ก็สืบต่อกันอยู่ราติกุมารมัลล่าจะมาครอบครองรครอบครองเมืองสาวัตถีได้อย่างไงประชาชนคงไม่ยินยอมแต่ท่านก็เชื่อไปแล้ว เพราะมันกระทบต่อตําแหน่งของท่านต่อราชบัลลังก์ของท่านต่อราชสมบัติของท่านต่ออํานาจของท่านต่อผลประโยชน์ต่างๆของท่านอีกมากมายให้เราสังเกตว่าสังคมเราจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหมายความมาคนใหญ่คนโตคนที่มีอํานาจราชศักต่างๆเนี่ยอย่าให้ท่านเชื่อว่าเราเป็นศัตรูของท่าน ถ้าใครไปยุยงปลุกปัน่นให้เห็นว่าเราเป็นศัตรูแล้วเราอตัวรอดยากเมื่อไรเมื่อไรก็เมื่อนั้นแะตั้งแต่โบราณมานั่นแหละนี่คือข้อที่ควรเป็นบทเรียนแม้ในปัจจุบันก็นเถอะให้ถือเป็นบทเรียนวอย่าณเนียวิญญาทำตัวให้คนใหญ่คนโตมีอำนาจราชสักเนี่ยหวาดระแวงหรือเกลียดแค้นชิงชัง ถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะอยู่ยากคราวนี้พวกที่จเจริญด้วยลาบยศสันเซิญสุก น, นี่ยนะพวกนี้อย่าลืมว่าอย่ายึดติดในลาบยศสันเซิญสุขของตัวเองแล้วที่กลัวสุดๆก็คือกลัวเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาประสบความทุกข์ที่จริงเขงท่านเป็นจุดแข็งนะฮะแต่มันจะเป็นจุดอ่อน เพราะการทำจุดแข็งให้เป็นจุดอ่อนเนี่ยเป็นวิธีการที่เขาใช้กันมาตั้งแต่โบราณนั้นนีงกันเลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันวันในที่สุดพระเจ้าประเสนโโกศสก็ให้ทหารชุดหนึ่งไปสร้างสถานการณ์คล้ายๆกับมีข้าศึกลุกมาทางชายแดนแล้วส่งพันธุลเษเสนาบดีพร้อมด้วยโอรสทั้งหมดเนี่ย นำทับไปปราบพอผันตุลาเสนาบดีไปใกล้ๆทหารนั่นก็เป็นแผนนะฮะก็หลบดนีกลบกับท่านก็พักทับอยู่ทหารกลุ่มหนึ่งที่ซุ่มอยู่เมื่อท่านนอนหลับก็เข้าไปตัดศีรษะตายหมดเลยสามสิบสามทั้งพ่อก็นางมารีกาทราบข่าว เรียกหญิงสะพ้ายทั้งหมดมาชี้แจงให้ทำความเข้าใจให้ทราบว่าอย่าเสียใจที่สามีต้องตายไปอย่ากโกรธเคืองพระราชาให้ให้อภัยทั้งหมดทำใจให้สบายพระเจ้าประเสริฐในกศลส่งคนมาสืบข่าวปรากฏว่าพระนางมารีกาเทวีไม่ได้แสดงความโกรดเกรี้ยวอะไรเลย ก็ทำให้พระองค์รู้สึกเสียระปไยก็เมื่อสามีและลูกตายไปนางก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้นิบนประสาดิบุตรพระโมคคลาานามาพอดีนางทสีคนหนึ่งนำถือถาดอาหารมาเนี่ยแล้วเดินสะดุดมุมเสื่อพระจนาก็แตก ภาษาริบุตรก็กล่าวว่าสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาก็ได้แตกดับไปแล้วบุคคลไม่ควรคิดอะไรเราวนางมารกาเทวีท่านเป็นพระโสดา บ, บันท่านก็หยิบจดหมายส่งข่าวที่สามีแล้วก็ลูกถูกฆ่าตา ย, ยให้ดู บอกว่าพระกุญจารุเถอครอบครัวหายไปทีเดียวสามสิบสามคนใ้ฉันยังไม่เศร้าโศกเลย่ยาไปเศร้าโศกไอ์ภาชนะแตกได้ยังไงที่จริงเจตนาของพระสารีบุตรนั้นท่านก็ต้องการพูดเรื่องมีคนตายนั่นแหละแต่ว่าใช้ถ้วยแตกเป็นเป็นสื่อในการจะแสดงความจริงของชีวิต แต่ว่าพระ น, นางมณิกาเทวีนั้นท่านเข้าประไทยดีในเรื่องนั้นหนี่เพราะเป็นพระโสดาบันนะฮะพระโสดาบันในทันรัศกรยะทิฐิได้ไม่เป็นตัวเป็นต น, ตนตไม่มีตัวมีตนไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาตายเมื่อไรก็ได้แต่ตายแน่ท่านก็ไม่เศร้าสุกเสียใจ นี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาประสบกับความแก่ความเจ็บความตายและการพลาดพลาดนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเศร้าสุขเราเห็นว่าในกรณีนี้มันประสบทั้งความตายและก็ความพลัดพลาดหมายความว่าฝ่ายผู้ชายก็ประสบความตายฝ่ายผู้หญิงรู้สึกว่าคนอันเป็นที่รักตาย ตัวเองก็ต้องพราดพลาดจากคนนั้นเป็นที่รักแต่ก็รู้แจ้งในสภาวธรรมวันนี้เป็นกติธรรมด า, าดจะโกรธจะเครื่องใครจะเครืองพระเจ้าประเสนเนี่ยโกศลนี่ยเครื่องไปทําอะไรเออถ้าเครืองแล้วเขาฟื้นขึ้ น, นมาเนี่ยก็ได้มันก็ไม่ได้ฟื้นขึ้ น, นมาก็ตายไปแล้วสิ่งที่มีเหตุปัจจัย เกิดขึ้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เบ็นเปัจจัยให้ดับมันก็ดับไปแล้วนี่เป็นการเข้าใจเรื่องชีวิตที่มีความชัดเจนเพระาะฉะนั้นการที่ภาษาดิบุตรแสดงเรื่องเหล่านี้ก็คือแสดงความชัดเจนในชีวิตเนี่ยหลักการของเราก็คืออะไรอ่ะคือในขณะที่มีชีวิตยอยู่จะ ก, กี่วันเราก็ไม่รู้่ ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายที่ไหนก็ไม่รู้ตายอย่างไรก็ไม่รู้ตายในโรคอะไรก็ไม่รู้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้คือสรุปไม่รู้อะเราก็อยู่ด้วยวิชาชงคาใช้คำว่าจงปฏิบัติชอบเถิดปฏิบัติชอบนี่ปฏิบัติอย่างไรให้ท่านลองสังเกตว่าในอริมัชมิองแปดเนี่ยท่านใช้คำว่าชอบ ความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบตั้งสติมั่นชอบมีสติมีมีสมาธิชอบก็หมายความอาการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้ยุติด้วยยุติด้หลักของอริยมรรคอแปประการคือสรุปว่ายุติยุติไดยกุศลก็แล้วกัน แต่จริงคำว่าชอบเนี่ยมันเริ่มจากการงดเว้นจากการงดเว้นจากอำนาจของกิเลสที่หยาบหยาบบาปหนาหนาที่แรงแรงที่นำไปสู่ประณานย ก, กรรมต่างๆไอ้นี่แรงแรงเราก็เริ่มตรงนั้นมันไปเข้ากันเลยเข้ากันหลักสมาวาจารสมากมรมตะสมาชีวะ มันก็เป็นการปฏิบัติที่ชอบชอบก็คืออยู่ในศีลในธรรมชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีบแบบแผนก็แล้วแต่จะนับแต่สรุปว่ามันมีมาตรวัดว่าชอบหรือไม่ชอบ การใดก็ตามที่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนและเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนการกระทำนั้นไม่ชอบการใดก็ตามที่งดเว้นการเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายชอบมันก็เลิ่มตรงนี้แล้วขายายผลออกไปเป็น การทำประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองการทำประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลอื่นการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายขยายกว้างมากเท่าไหรก่ก็ยิ่งชอบมากเท่านั้นเพราะว่าจิตใจมันละเอียดมันมีความประนีตมันสูงขึ้นมันสงบขึ้นมันเย็นขึ้นมีความสุขมากขึ้น ว่าในการปฏิบัติชอบโดยหลักก็หมายความว่าการปฏิบัติไปตามหลักของธรรมะก็อีกแหละมันก็คือเว้นเว้นความชั่วประพฤติความดีแล้วการปฏิบัติที่เรียกว่าขัดเกลาขีเลทให้เจือจางคลายลงไปโดยลำดับมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละก็ทำไปตามกำลังความสามารถของเรา ยังไม่มีอะไรนะอายุมากขึ้นกิเลสลดลงอะไรกันอายุมากขึ้นคุณธรรมเพิ่มขึ้นหมายความาอายุข้างหน้าเราน้อยลงแต่ว่าความดีเราเพิ่มขึ้นมันก็เป็นกำไรของชีวิตเพราะตอนเราตายอายุมันก็ขาดนะ แต่ว่าความดีไม่ได้ขาดตามไปมันจะขับเคลื่อนนำชีวิตของเราไปสู่สุกติโลกสวรหรือว่าถ้าถึงได้ฌานมันก็ไปสูงขึ้นไปคนนั้นการปฏิบัติชอบก็คือการปฏิบัติที่ขัดเราจิตใจคนตัวเองและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออนิวัด ปฏิปฏิปทาปฏิบัติไม่ถอยหลังหมายความว่าอย่างน้อยก็กระเถิบกระเถิบไปข้างหน้าเรื่อยๆก็ ค, อค่อยๆต้มเตี้ยมแบบเต่าเดินไปมปันไปเรื่อยๆไปถึงจุดหมายปลายทางเท่าที่จะถึงได้ใช้เวลานา น, านหน่อยก็นานเถอะ แต่มันแสดงเห็นความก้าวหน้าเรดูตัวอย่างอย่างเนี้ยมาลองสังเกตคือการเทศวันอาทิตย์ก็ประมานี่จริงเทศมา น, นานนะสามสิบ้าสามสิหกปีแหละเฝ้าวัดมาสามสิบห้าสามสิบหกปีวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็เฝ้าวัดอยู่อย่างเนี้ยบางครั้งบางคราวนานๆ มีความจำเป็นเจ็บ่า้ไม่สบายก็ให้ลูกศิษย์เขาช่วยแต่ตามปกติแล้วก็รับผิดชอบเองเพราะตามปกติวันเสาร์วันอาทิตย์นี้พระจะไปไกินนิมนต์กันนะคแต่เราก็ไม่มีโอกาสน อ, อกจากการณีจำเป็นจริงๆคนที่นิมนต์คุ้นเคยสนิทสนมกันปีหนึ่งท่านิมนต์ครั้งหนึ่งหรือว่าหลายปีท่านนิมนต์ครั้งหนึ่ง ก็นะต้องไปฉลองศรัทธาแต่เราสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนต้นๆนเนี่ยคนประมาณสามร้อยนะครับนเยอะมากแล้วก็ลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงเวลานี้ก็เหลือประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าลาเขาเห็นว่ามันน่าจะมาเทศที่บสถ์ ก็าก็มาจัดประบุสดให้เรียบร้อยมาเข้าไปเทศวันอาทิตย์แรกคนเต็มที่สองคนเต็มที่สามคนเต็มที่สี่เริ่มลดแล้วก็ลดลงลดลงลดลงลดลงกรณีแสดงว่ามันมีการปฏิบัติทิ่ถอยกลับและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือบางคนเนี่ยมาเฉพาะช่วงฝังเทศ บางคนก็ช่วงไหวพระสวดมนต์มาทานศีลนัวังเทศบางช่วงก็บางคนก็มาในช่วงรสมาทานศีลก็แสดงว่ายังประพฤติไม่สม่ำเสมอในหมู่คนที่ยังไม่สม่ำเสมอนี่คือส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างีง พระเจ้าน้ำการมีบัตรท่านจึงบอกว่าอานิวัติปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ถอยหลังจะยกตัวอย่างว่าคนบวชเป็นพระเนี่ยบวชมาเป็นพระเนี่ยรักษาปริสุทธิ์ที่ศีลสีนนะนับจำนวนเยอะมากแต่เกาะกลุ่มเป็นจตุ ป, ปาริสุทธิ์ที่ศีลวันนี้คืนดีแล้วตัวเองเรามาเหลือห้าข้อ พอไปอยู่บ้านจริงๆห้าข้อก็ไม่เหลือหมดไปทีละข้อสองข้อไม่เหลือเลยบางคนก็เหลือสักข้อสองข้อแสดงว่าเราก็ต้องอสู้ชักกัเยอะกับกิเลสอ่ะกิเลสมันมีกำลังมากมันก็ผลักใสเสือกใสขับใสเาเราจนสูญเสียการทรงตัวไปแต่ถ้าหากว่า เราเก้าวไปเรื่อยๆักษาศีลในแนวลึกหรือแนวกว้างขึ้นไปเรื่ อ, อยๆเดี๋ยวที่ก็ ย, ยกตัวอย่างนีการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยตัวเองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยการใช้คนอื่นให้ฆ่างดเว้นจากการยกย่อง ส่งเสริมสนับสนุนการค่าแล้วก็ยินดีต่อการค่าแล้วยินดีต่อผู้ค่าและยินดีต่อสิ่งที่ได้มาจากการค่ า, าเราก็เป็นได้ไปได้เลยทีนี้ถ้ามาอยู่ในชั้นสี่คือไม่ยินดีในการค่าไม่ยินดีต่อผู้ค่าไม่ยินดีต่อสิ่งที่ได้มาจากการค่าเนี่ยรอยนาการของกิเลส โลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันลดจิตมาอยู่ที่เมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายจิตมันไปอยู่ที่ปัญญาคือใช้เหตุผลในการดำารงชีวิตจิตมาอยู่ที่การุณาคือสงสารสัตว์ ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ปรารถนาการมีเวรการมีภัยการเบียดเบียนกันการประทุษร้ายกันสัตว์ทประสบความทุกข์เราก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ก็เป็นหลักการที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นการปิบัติชอบ จนถึงจุดหนึ่งี่คือนำํำตนออกจากความชั่วเขาเรียกว่านิยานิกะเอาความชั่วออกไปจากจิตใจเรื่อยๆก็แนวขัดเกลานั่นแหละแต่ออกไปเรื่อยๆอย่าน้อยอยาบหยาบเอายาบหยาบไปก่อนเรงแรงไปก่อนรุนแรงจนถึงกับหลงไม้ลงมือกันเนี่ยเพรนั้นลองสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ยแสดงที่กายที่วาจาที่ใจ การตั้งเจตนามันเกิดขึ้นจากใจแต่เอาแหละใจมีเจตนาแต่อย่าออกทางกายทางวาจาปัญญาอย่าออกมาทางกายทางวาจาก่อนเพราะถ้าตอบใดเฉพาะคุณเพียงแต่คิดเนี่ยคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน อ, อกทีก็เดือดร้อนเพราะคุณแสดงออกทางกายกับทางวาจาแต่ว่าเจตนานั้นอยู่ที่ใจแน่นอน ใจมันก็เป็นมโนทุจริตแน่นอนแต่ก็หยุดทุจริตไว้ได้ไหมหยุดทุจริตไว้ที่จิตอย่าให้ออกมาทุจริตทางกายทางวาจานั้นก็หมายความว่าเป็นเรื่องประณีตขึ้นดึงจิตออกจากกำนาจของกิเลสได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆทาําไปได้ขนาดไหนก็ตามก็เรียกว่ายาถาสติยาถาพลัง ตามกำลังสติปัญญาความสามารถของเราที่จะกระทำได้และ่านก็เตือนว่าจงอย่าปฏิบัติผิดพินาธไปเลยนี่ก็เป็นการย้ำนะฮะหมายความถ้าปฏิบัติชอบก็ไม่ผิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้เวลาในแต่ละขณะ ให้มันเกิดประโยชน์ในเวลาในแต่ละขณะเนี้เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็อยากตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงของกิเลสที่หยาบคายไร้กาศทั้งหลายต้องฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม จึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี